สอนแล้วก็ให้เราไปลุยเอาแล้วก็สู้ของเราได้การที่เราสู้นะถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะไปหาแท่นทั่วทิศเราก็ต้องภาวนาเอาเองสู้ตายมันไม่ยากถ้าใจไม่ฝ่อซะก่อนศัตรูรายของชีวิตเราเลยนะคือกิเลสทั้งหลายนะี่แหละ กิเลสมันย่ยํายีหัวใจเราตลอดเวลาถ้ามีสติปัญญานะปลดเพลืองมันออกไปได้นะมันก็พ้นทุกข์ไปถูกกิเลสย่ํายีอยู่ก็ทุกข์ไปได้แต่สู้กิเลสไม่ได้สู้แบบบัวแบบกวายแบบบัวกระทิงไลก่กนะิดนู้นอย่าไปไลก่กิกิเลสกิเลสเหมือนน้านะเหมือนน้าในแม่น้ำํำถ้ามันไหลไปเรื่อยๆมันไม่ค่อยทําลายอะไร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 เราไม่ไปขวางมันถ้าเราขวางกิเลสเมื่อไรนะเหมือนเราไปกั้นเขื่อนในแม่น้ำเงี้ยมันเกิดแรงดันมหาศาลเขื่อนแตกเมื่อไรก็แย่แย่เมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่มองกรนะอุ้ยได้รับคำขู่ทุกวันเลยระวังนะเขื่อนจะแตกนะเขื่อนมีอยู่สองเขื่อนใหญ่ๆนะเขื่อนศรีนักครินก็เขื่อนอะไรเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนเป็นวชิราลงกร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 ให้กลับลงจากภูเขาได้น้ำหนีขึ้นภูเขาไปหมดหมู่บ้านเลยเ <c> ห <oughs> ลือเราอยู่สามคนกับหมาตัวเดียวเ น, <c oughs> น้น้านะต่กั้นไว้มีพลังมากกิเลสเหมือนกันเวลาที่เจอกิเลสอย่าไปต้านมันดูมันไหลามาไหลไปดูสบายๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียถึงจะสบาย กิเลสเกิดขึ้นเรารู้ก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนเรายืนอยู่บนตะลิง่งเห็นอะไรต่ออะไรลอยน้ํามานะมันลอยมาแล้วมันก็ลอยไปถ้าเรามีสติรู้ทันอย่างนี้นะมันก็ไม่มีอํานาจทําลายร้างจิตใจเราเท่าไหร่หรอกถ้ารู้ไม่ทันนะมันใหญ่โตขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมาแล้วสู้ไม่เป็นนะพยายามไปต่อสู้มันนะนี่ต่อสู้มันก็บอบช้ําสู้มันไม่ไหวหรอกกิเลส กิเลสมันคลองโลกมาตั้งนานแล้วเหมือนจะชกกับ น, นักมวยแชมป์โลกมันสู้กันไม่ได้หรอกเนีย่ยเราต้องมีชั้นเชิงนะอะไรที่เราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปสู้มันแค่รู้ทันมันคยรู้รู้ไว้นะอย่าไปปะทะมันมันก็ผ่านไปเพราะทุกอย่างกระทั่งกิเลสก็แสดงใจรักเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับไม่จําเป็นต้องไปสู้กิเลสเลย อดทนไว้นะกิเลสมาแล้วตามรู้ตามดูยังไงกิเลสก็ต้องดับเพราะกิเลสก็ต้องตกอยู่ใต้ใจรักเหมือนกันงั้นหลวงพ่อเคยสอนพวกเราบ่อยๆว่าจิตเหมือนเรือนะจิตเหมือนเรือทอดสมออยู่ในแม่น้ํอยางนี้กิเลสเหมือนน้าไหลมาเรื่อยเรืออย่าไปขวางน้ําถ้าเรือขวางน้ําเรือก็ล่มนะน้ำำําทําลายเรือได้เรือไม่ขวางน้ํานะแต่เรืออยากให้ไหลตามน้ําไป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 อย่างเวลาเราโกรธขึ้นมาเราบอกจิตให้หายโกรธมันไม่หายนะโกรธนานไม่หายนะอยันเราคอยรู้คอยดูไปด้วยเมื่อเช้าเดินมาจากกุฏิปกติตอนเช้าเนี่ยเป็นเวลาหลวงพ่อตรวจกันบ้านพระไม่ได้หยุดงานเลยนะพอออกจากกุฏิก็เริ่มทำงานลนละ้วนะเดินมาองค์ที่หนึ่งโอ้ภาวนาใช้ได้แล้ว อดทนไหมนะอดทนภาวนาไปอดทนต่ออะไรอดทนต่อความขี้เกียจขี้คลานความสงสัยอดทนแ ก, ก่กิเลสเหมือนกันนะพอภาวนาดีแล้วเดี๋ยวเกิดขี้เกียจขึ้นมามันก็เสื่อมไปเลยเกิดลังเลสงสัยขึ้นมาก็เสื่อมไปอีกฟุง้งซ่านขึ้นมาจนะาอดทนไหมนี่ภาวนาดีให้อดทนไว้อีกองหนึ่งโอ้นี่ก็ภาวนาดี อดทนไว้น่าอย่าขี้เกียจไอ้อีกองหนึ่งนะมีโมหะเยอะอดทนไว้น่าสู้กับมันอย่าท้อถอยนะนี่สู้กิเลสนะนี่อีกองหนึ่งขี้โมโหโมโหใหญ่เลยโมโหโมโหโมโหใครก็ทำอะไรให้โมโหบอกอดทนไว้น่าภาวนาไปดูเห็นไหมภาวนาดีนะก็ต้องอดทนนะภาวนาแย่ก็ต้องอดทนนะ ก็รู้หลักของการภาวนาแล้วเนียสิ่งที่สําคัญมากเลยต้องทนขึมาทํเยาะเยาะแยะแยะไม่ได้กินหรอกนคนที่จะขําพบข้ามชาติได้นัต้องทนจริงๆเข้มแข็งไม่ท้อถอยนะไม่ใช่วันนี้ภาวนาดีอีกวันก็ขี้เกียจไปแล้วไม่ทนก็ทําไม่ไหวไม่สําเร็จต้องขึ้สู้ภาคเพียรตามรู้ตามดูไป วิธีการที่หลวงพ่อสอนนะบางคนบอกง่ายง่บางคนบอกยากยากเอาไงแน่ก็ไม่รู้นะ <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรนะรู้อย่างเดียวยมันยากตรงที่รู้อย่างเดียวนี่แหละให้ไปทําอะไรสัอย่างนะึงง่ายกวาอีกบอกเอ้าทุกวันให้ไปเดินจงกลมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงสลับกันให้ได้สามรอบนบางคนทําได้ถ้าใช้ให้ทํานั่นทํานี่นัง่ายเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนี้นะเนี่ยให้กิเลสมาให้ทําอย่างนี้นะมันรู้สึกมีงานทํา รู้สึกสบายสนุกมันยากตรงที่จะไม่ทํามันยากตรงที่จะแค่รู้ยากนะยากเพราะใจของเราเนี่ยคุ้นเคยที่จะทําอย่างพวกเราแต่ละวันที่ภาวนาพวกเรารู้สึกไหมพอตื่นนอนมาเราก็ถามตัวเองแล้วว่าเราจะปฏิบัติยังไงจะดีทํายังไงจะถูกนะทํายังไงจะดีนะคอยคิดถามตัวเองด้วยเล มีคนไหนไม่เคยถามแม้ว่าทํำยังไงจะถูกปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะปฏิบัติอย่างนี้จะดีไหย ม, มีใครไม่ถามมีใครถามมั้งเนี่ยทดสอบต้องตั้งคําถามกลับข้างบ้างเนะี่ยดูว่าหลับไปยังหลวงพ่อก็ถามนะแต่ก่อนเนี้ยกระทั้งตอนมาบวชแล้วนะโอ้เราอยากเร่งความเพียรมาเราบวชมาได้สงพันปาแล้วเราจะเร่งความเพียรทันทงเร่งเราไม่รู้จะเร่งยังไง นึกไม่ออกเหมือนกันในใจมันก็เคยคิดนะว่าทําอะไรนะมันจะหลุดพ้นนี่คยคิดอย่างนี้นะเคยคิดมันก็คิดเหมือนกันอนะ่ะก็าภากเพียร น, นะลองทําอย่างนี้ดูไม่ใช่ลองทําอย่างนี้ไม่ใช่ใครเคยเล่นเกมที่มันมีทางเดินอะแล้วมีทางแยกเยอะแยะเขาเรียกอะไรเกมไม่รู้เรียกอะไรนะที่เดินไปทางนี้ก็ตันเดินไปทางนี้ก็ตันมีทางถูกอยู่ทางเดียวอะ่ะ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 อย่างที่หลวงพ่อบอกนะตามรู้กายตามรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆต้องเห็นผลในเวลาอันสั้นเลยไม่นานก็เห็นผลนะอย่างพวกเราที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่าการนั่งเพ่งที่คิดถึงการปฏิบัตินะถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจมีอยู่เท่านั้นเองนะ่ะนักปฏิบัติไม่มีอย่างอื่นหรอกทําซ้ํำซากอย่างนี้มาตั้งกี่ยุ ก, กี่สมัยแล้วนะก่อนพุทธกาลก็ทําอย่างนั้นนหะนักปฏิบัติพอคิดเรื่องการปฏิบัติไม่บังคับกายก็บังคับใจ ไม่เพ่งกายก็เพ่งใจอย่างเดินจงกรมนึกออกไหมพอจะเดินจงกรมขั้นแรกเลยต้องวางฟอร์มก่อนวางท่าให้ดีก่อนเริ่มบังคับแล้วต้องเดินท่านี้ถ้ะท่าอื่นไม่ได้เสร็จแล้วต้องทำใจบังคับกายบังคับใจเสร็จแล้วค่อยๆเดินดไปเห็นไหมค่อยเดินไปนะวันหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์มันจะเป็นซอมบี้สินะ <laughs> จะได้เรื่องอะไร มาคับไปหมดเลยนะหรือพอนั่งสมาธิใช่ไมธรรมดาก็นั่งท่านั้นท่านี้นะก็แค่รู้สึกตัวไปไม่ได้นะต้องนั่งท่านี้เถียงกันอีกนะว่านิ้วแมกโป้องจอะชนกันหรือจะให้นิ้วชี้ชนกันออมือไหนซ้อนมือไหนต้องมือนี้ซ้อนนิ้วจะต้องอยู่ตรงนี้นะถามทำไมนิ้วต้องอยู่อย่างนี้ลมปราณจะได้โคจรกลายเป็นวิชายโยคะอภิรกแล้ว อะไรก็ไม่รู้อะไรที่มันจะนอกรู้นอกทางนะมีตลอดเวลาเราไปติดแต่เปลือกนั่งก็นั่งบังคับกายต้องนั่งท่านี้เสร็จแล้วก็บังคับใจบังคับใจมีสองพวกนะพวกหนึ่งดิ่งเข้าไปอีกพวกหนึ่งน้อมให้ซึมนี่เป็นอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องเลยมันมีแต่บังคับกายกับบังคับใจการภาวนาที่ผิดอยู่แค่นั้นเอง แล้วที่ถูกอยู่ตรงไหน whe? ที่ถูกอยู่ที่รู้สึกกายรู้สึกใจการรู้กายรู้ใจนะมันมีสองสเต็ปขั้นแรกรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจเวทนาเกิดขึ้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของเวทนากิเลสเกิดขึ้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของกิเลสความทุกข์ในกายความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็สักแต่รู้ได้แค่เห็นนะระลึกรู้รู้ถึงความมีอยู่ของเวทนา ร่างกายหายใจออกเราเริกรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายอันนี้เรียกว่ามีสติมีสติอย่างเดียวยังไม่เกิดวิปัสนาะแค่เราเริกรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสนาเพราะงั้นอย่างที่พวกเรานั่งหายใจเราไม่ลืมเลยนะรู้ตลอดเลยหายใจเราไม่ลืมเลยเนี่ยนะรู้ตลอดเลยไม่ลืมเลยหรือเดินจงกรมนะขยับกรี๊กกริ๊กรู้หมดเลยนะ รู้ถึงมันอยู่นะัแค่มีสติใช้ไม่ได้งนการที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจนี่เป็นแค่เบื้องตอน้นคือมีสตินั่นเองนะต่อไปจะพัฒนาให้มันดีกว่านั้นให้เกิดปัญญาได้งไงต้องเห็นความเป็นจริงของกายต้องเห็นความเป็นจริงของใจกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนางั้น ไ, ไม่ใช่รู้ถึงความมีอยู่นะ แต่ว่ามันเป็นยังไงรั่วเป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงบ้างในกายในใจมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนใัตตาร่างกายไม่มเที tych, ่ยง ร, ร, รู้สึกไหมหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไม่เที่ยงไม่ลองหายใจออกอย่างเดียวหายใจเข้าอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ร่างกายไม่เที่ยงนะเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี Falls, ๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนอนก็นอนพลิกไปพลิกมานั่งก็นั่งขยับไปขยับมามีใครนั่งแล้วยังไม่ขยับบ้างมีไหม ถ้านั่งแล้วไม่กระดุ ก, กระดิกนอนแล้วไม่กระดุ ก, กระดิกแล้วบรรลุผ้าละหันาหานะคนเป็นโรคอะไรนะที่เดินไม่ได้อัมาพาตนะเป็นผ้าละหันหมดแล้วกระดิกไม่ได้นอนเป็นผ้าละหันไม่ใช่นะร่างกายนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเราดูมันไปร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะ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 อิริยาบถก็เคลื่อนคนที่มีชีวิต tick. คนที่ยืนอยู่นอะอยู่ช่วคราวหายไปแล้วเกิดคนที่นั่งคนที่นั่งอยู่ช่วคราวหายไปเป็นคนที่นอนนี่ค่อยๆดูไปะมีแต่ความไม่เที่ยงมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามร่างกายเราอยู่นิ่งไม่ได้ทําไมมันไม่เที่ยงทีมาามมง่มันไม่เที่ยงเพราะมันทนไม่ได้นะมันทนไม่ได้ความทุกข์มันบีบคั้นตลอดเลยมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆ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 มันเป็นไหมล่ ะ, <Develop ing> ะไม่เป็นหรอกะจงห้ามกโกรธนะเอจงห้ามทุกนะห้ามไม่ได้สะกนั้นเลยเขนะ้าดูลงไปเลยกิเลสจะเกิดนะมีเหตุกิเลสก็เกิดหมดเหตุกิเลสก็ดับบังคับไม่ได้กุศลเหมือนกันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่แหละคืออนัตตาบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเราบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุนในความจริงของกายของใจนะคือไตรลักษ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 เราไม่ต้องทําหน้าที่นั้นเราเป็นแค่คนดูพอเราดูเรื่อยเเรามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจได้ได้ไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจแค่นั้นเองพวกเราลองดูนะพอเราตั้งใจปฏิบัติเมื่อไหร่ถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจที่ทํามาตั้งนานไม่บรรลุมรรคผลก็เพราะเรื่องนั้นแหล ะ, ะหรือไม่ก็มัวแต่หลงไปคิดเช่นคิดเรื่องกายคิดเรื่องใจคิดเรื่องกายเรื่องใจก็ไม่บรรลุนะใช้ไม่ได้หรอกเป็นอุบายเท่านั้นเมื่อก่อนครูบาอาจารย์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 กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้วเป็นอย่างนางั้นดูมันทำงานไปอย่าไปบังคับมันอย่าไปเกี่ยวข้องนะแค่รู้ลืมมันไม่ได้ถ้าลืมมันกไม่มีสตนะิแต่ถ้าเพ่งมันนะก็ไม่ใช่แค่รู้เกินไม่กลายเป็นพยายามบังคับไปเพราะฉะนั้นะถ้าเราไม่สุดต่งไปสองข้างนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจแล้วก็ไม่เพ่งกายเพ่งใจไปกดข่มบังคับมันเราจะรูนะ้รู้นี่อยู่ตรงกลางระหว่างเผลอกับเพ่ง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 นะแต่ถ้าเราเห็นความจริงในใกายในใจเรื่อยวันนึ่งทำลายอาวิชชาไป น, นะตัญหาความอยากอะไรก็ไม่มีขึ้นมาใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเลยงั้นะพวกเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าเพ่งเอาอย่าบังคับมารู้สึกเอาร่นะางกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกสังเกตไหมตอนนั่งฟังหลวงพ่อนเนี่ยจิตใจเคลื่อนไหวตลอดดวออกไหมร่างกายเคลื่อนไหวนิดนิดรู้สึกไหม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 แม้จิตใจนั้นหนีเร็วมากเลยแั้เรามีสตินะรู้ไปรู้ไปจนะิตใจหนีไปฟังเสียงละรังซิดูว่าจิตไหวไหมเอาเขาเลือกตีไปเลยฟังออกไหมเห็นความไหวของจิตบ้างไหมเอาเอะตีอีกสองทีอ่ะพอ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 เนี่ยตามดูไปนะจะเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานได้เองนะการเฝ้ารู้เฝ้าดูนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกง่ายๆ ง, ง่ายนะถ้ารู้เอาถ้าเพ่ยงยากที่สุดเลยเพ่งกี่ปีกี่ชาติก็เพ่งอยู่นะั่นเเหนื่อยอทำไมไม่หมดเวลาที่ไม่รู้จะเทศอะไรนะเอาตรวจกันบ้านเชิญคนอยู่วัดหลัง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 การปฏิบัติเนี่ยมีแต่รู้สภาวะโลกปัจจุบันลูกเดียวเลยนะงานจิต<อ>สงสัยรู้ว่าสงสัยหลังจาก ต, ต้องกล้ามากเลยนะไม่ยอมได้หลังจากตอนเที่ยงแล้วก็ก็กายมันล้ามากครับก็จะจะไปพักครับพอเอ็นกายลงนอนก็สติกระลึกรู้ว่ากายกำลงังหายใจภาวนาไปได้สองครั้งก็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 พอสักพักนึงครับจิตมันขํามควรครับมันไม่ยอมครับเอมันรู้สึกว่าไอ้จิตตัวที่สองเนี่ยมาทับไอ้ตัวเดิมมาหาใจไม่ออกครับเอมันก็ร้องว่ากายของเรากายของเราโ oh. <laughs> ดีนะอย่างรู้ว่ากายของเรา <laughs> นั่นแหละไปพอใจอยจากคราวนี้ก็อยากทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอาการของจิตรวมหรือจิตฟุกงชั้น <laughs> <laughs> อยากทราบให้รู้ว่าอยาก <laughs>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 จิตอยากรู้รู้ว่าอยากรู้มก็เห็นความอยากรู้ดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่สอนแบบกล้าหาญมากนะห้าวหาญส่วนความรู้ความเห็นทั้งหลายเนะี่ไม่มีสาระอะไรเลยนะอะคุณไปทําต่อนะที่คุณทําอยู่ดีนะเอี่าทิ้งตรงนี้ไม่ดีตรงนี้เพ่งเพ่งแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้ตอนก่อนจะชมนะีดีมากเลยเออแปลยอย่างนี้